สิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นี่มันมีความแตกต่างกั น, กนถ้าเราอยู่ที่ไหนที่สุดสบายนี้มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นให้เราต้องออปรับใจเราใจเราเคยชินอยู่กับอะไรมันก็มันก็ไม่วุ่นวายแต่พอมันไปอยู่กับที่ที่มันไม่เคยชินที่มันยาก ที่มันลำบากมันก็จะต้องถํามันไม้ปรับตัวเองมันก็จะตอบต้านมันอยากจะอยู่แบบสภาพเดิมถ้าทีโรงพีาบาบางทีท่านก็ต้องคอยย้ายที่เร่ยท่านไปอยู่ที่ไหนพอตปอดฟัเคยชิน ยังไม่กลัวนะฉนก็เปลี่ยนใจไปหาที่ใหม่ไปดูซะว่ายังมีความกลัวหรือไม่ว่าเราอยู่ที่เก่าเราเคยชินเราเรื่อว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวอันตรายเราก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่เราเพิ่งเรืองมันน่ากลัวมีภัยอันตรายถ้าไปยังมีความกลัวอยู่ก็แสดงว่ายัง ยังยงต้องแก้่ถ้าเราไปแล้วก็ไม่รู้สะไอะไรเฉยๆเราก็มือนกว่าเราได้แก้ความกลัวแล้วเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้การตื่นที่ก็เพื่อที่จะให้ใจเราไม่ให้ยึดติดแล้วก็ให้ ให้ตรวจดูว่าความกลัวที่เรามีอยู่แล้นที่มันหายไปนี่มันหายไปด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติหรือว่าด้วยความเคยชินถ้ามันเคยชินนี่มันก็แสดงว่ามันไม่ได้หายอย่างถาวรแต่ถ้าหายด้วยการการใช้ปัญญาพิจารณา คามไม่เที่ของร่างกายาชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายช่เวลาที่เกิดความกลัวมากๆก็พิจนาว่าร่างตายนี้ต้องตายแล้วก็ถ้าถ้ากลัวมันก็จะทุกข์มากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมตายอยาอมรับความจริงถ้ายึด รับความจริงได้ความกมันก็จะหายไปจิตมันก็จะเดินเข้าสู่ความสงบปลอบวางร่างกายได้ถ้ามันปลอบวางได้แล้วมันก็มันก็รู้ว่าตอนนี้นมันไม่โกรธจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จะไปไม่ไปก็ไม่เป็นปัญหา จะต้องไปหาที่หน้ากลัวใหม่หรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นสาคัญพอตายเลยก็ไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้ามันมันมันหายกลัวเพราะว่ามันเคยชินเช่นเราไปใหม่ๆแล้วก็กลัวเราเนี่ยอาจจะใช้การนั่งสมาธิเพื่อลดความกลัว เวลาจิตสงบความกลัวก็จะหายไปแล้วพอเราไปทักพักหลับก็จะรู้ว่าไม่มีภัยจิตก็จะไม่รู้ส็จหวาดกลัวต่นี้มันมันหายไปด้วยความเคยชินและการใช้สมาธิหลบเข้าไปในสมาธิอันนี้มันยังไม่ได้ใช้เัญญ็มย่า ถ้าไม่ได้ใช้ปัญญามันก็ยังจะมันจะยังยังไม่เห็นสัจธรรมความจริงอริยศาสตร์สื่อว่าความกูนี้เป็นความทุกข์ความกลนี้เกิดจากการไม่ยอมรับความตายของร่างกายไม่ยอมรับความเป็นอนิจจังของร่างกายไม่ยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเรายังไม่ต้องการให้ร่างการนี้ตายถ้าไม่เห็นด้วยปัญญาไม่เห็นอริยาสาัจสีไม่เห็นตายละอันนี้จังทุกขังวนัตตาไม่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากมันก็ยังจะรวนอยู่เราายย้ายไปที่ใหม่ ก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาถ้ายังใช้วิธีเดิมอยู่มันก็ยังกลัวอยู่ไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนที่แล้วก็เวลากลัวก็เข้าสมาธิไปพุโทโธไปมันก็ยังจะไม่ได้แก้ความกลัวเพราะต้นเห็นของความกลัวก็คือความหลงความที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นไม่เที่ยง มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากการประยัให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย น, นี้ถ้าเราพิจารณาว่าความจริงเรื่อยๆพิจารณายจรักของร่างกายเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีมีปัญญาที่จะ ใช้ในการที่จะมาดับความกลัวในเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาเป็นไปอย่ที่ไหนที่น้ากลัวเมืเ่อไปเผชิญกับสิ่งที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็มีทางเลือกว่าเราจะาจะทำอย่างไรถ้าจะใช้สมาธิเราก็บริกรรมพุทโธไป ท่านจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เทียงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมนไปถ้ามันจะต้องตายในงตอนนั้นก็ปล่อยมันตา่ถ้าปล่อยได้มันก็จะไปหยุดวิภวตังหาต้นเหตุของความทุกข์ใจของความกลัวือ ือความอยากไม่ตายพอมันพอมันปล่อยวางไม่หยุดละวิภาวะตัณหาได้ความทุกข์ก็หายไปที่โลภก็ปรากฏขึ้นมาความดับทุกข์ก็คือนิโรภเกิดจากมากก็คือสติปัญญาที่ <c oughs> ที่เห็นว่าร่ <c oughs> างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนิจตา อันนี้ก็เป็นการใช้ปัญญาใช่มกัยกยดับความทุกข์ดับความกลัว <c oughs> พอความทุกข์ความกลัวดับไปแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรจะต้องกลัว <c oughs> เพราะว่าต้นเหตุของความกลัวไม่ได้อยู่ที่ภัยข้างนอกแต่อยู่ที่ความความหวังที่ไม่เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง เป็นทุกเป็นอนันตาอันนี้พูดถึงผู้ที่เขา <c oughs> เขากล้าไปตามที่ต่างๆจะได้ว่าเขาก็มี <c oughs> มีธรรมะเ <c oughs> ช่นมี ส, สติสมาธิและปัญญา <c oughs> พอที่จะทำให้เขาข่มใจเขาได้ ของความกลัวเขได้หรืออาจจะตายแบบไม่รู้เองหน่อยในไมรู้ว่ามีภัยหรือไม่มีภัยอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งแบบนี้ก็ไปแบบไม่มีอาวุธพอเกิดภัยขึ้นมาก็อาจจะไม่สามารถที่จะแก้แก้ความกลัวดับความกลัวได้อาจจะ ตกใจตื่นเป็นเป็นบ้าไปก็ได้ <c oughs> การปฏิบัติก็ต้องหาที่ที่มันยากนำบากที่จะทำให้เราต้องใช้ธรรมะมา มาแก้ปัญหาคือปัญหามันมีสองส่วนปัญหาที่อยู่ภายนอกคือความทุกข์ยากลงบากเช่นไม่มีไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีน้ำประปาต้องใช้น้ำต่อหรือใช้น้ำตามลำทางหรือรองน้ำฝนมีไม่มากก็ต้องรู้จักประหยัดใช้เท่าที่จำเป็น เป็มีไฟฟ้าตอนคลืนมันก็จะมืดมันก็จะมีความรู้สึกน่ากลัว <c oughs> ถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีไฟ ม, มีมีความสะดวกพอเราไปอยู่ที่ไม่มีใจมันก็จะไม่สมายใจเราก็ต้องแก้ที่ใจนั้เพราะเราเลือกไปอยู่ที่อย่างนั้นเอง เพื่อที่จะได้ผลิตปัญหาข้อสอบให้กับใจใการไปอยู่ที่แาบนั้นก็นเหมือนกับการไปเข้าห้องสอบเราก็ต้องทำข้อสอบให้ได้เราต้องปรับตัวเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้เหมือนกับที่เราอยู่ที่บ้านที่มีความปลอดภัยมีน้ำมีไฟมีความสะดวกทุก ต ก, กาอาหารการกินก็สะดวกการอยู่ก็สะดวกภัยอันตรายก็ไม่มีแต่พอเราก็อยู่ที่หมือนอันตคัดขัดสนก็มีภัยรอบด้านใจของเราจะฟันป่วนใจของเราจะหวาดภาวะแล้วเราก็ต้องใช้ธรรมะคือสติสมาธิปัญญาก็มา ควบคุใจของเราให้ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญารเราก็จะทนอยู่ไม่ได้เพราะมันจะทรมานใจมันจะทุกข์ใจจนไม่อยากจะอยู่หรือไม่อยากจะไปถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าหรือว่าเราไม่รู้ว่า เราสอบผ่านหรือไม่การที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในท่าการความสะดวกความสบายความปลอดภัยนี้มันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเราก็อยากจะไม่รู้ว่าเวลาชีวิตของเราต้องเจอ้องจริงเจอห้องสอบจริง เต้องต้องใกล้เวลาใกล้ตายเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ไม่สามารถที่จะเพื่งร่างกายให้ความสุขกับเราได้เราจะทําใจให้สงบไม่ให้เดือนร้อนจากภาวะของร่างกายได้หือไม่เช็นความเจ็บไข้นได้ป่วยกล้จะตาย อันนี้ก็เราต้องจำลองสถานาการณ์ได้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าห้องสอบได้เราก็ต้องเตรียมตัวก่อนต้องอยูหนังสือต้องทำการบ้านก่อนอยูหนังสือก็เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์สอนวิธีที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาเช่นความกลัว ความกลัวตายด้วยความกลัวความเจ็บเมื่อเราศึกษาแล้วขั้นที่สองเราก็เอามาซ้อมว้ก่อนทําการบ้านให้เราพิจารณาให้ยึดถึงความตา ย, ยเรื่อยๆเกิดมาเราต้องตายเกิดมาแล้วเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ปวยนี้เราก็ สามารถเข้าห้องสอบได้ด้วยการนั่งแล้วปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปเวลาเจ็บก็ไม่ต้องลุกไต้องขยับใช้สติสมาธิปัญญาทำใจให้สงบถ้าใจสงบได้ความเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่มีอะไรและที่มันรุนแรงก็เกิดความ ความดิ้นขงใจความกลัวความเจ็บของร่างกายความอยากให้ร่างกา ย, ยหายเจ็บด้วยความอยากที่จะมนีจากความเจ็บของร่างกายไปมันก็จะทำให้เรา <c oughs> ปั่นปวดจุดใจตับปวถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราก็จะทนนั่งไปไม่ได้จะต้องกระยักเปลี่ยนนิญยาบปวด <c oughs> แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมใจของเราให้สงบได้ขั้นต้นก็ใช้สมาธิไปก่อนเพราะก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนและนเวลาเกิดความจุดปวดเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมน ปวดใดก็ได้ให้ใจมีงานทําไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บไ ม, ไม่ให้ไปอยากให้ความเจ็บหายหรือยากจะเปลี่ยนอิเลยียบุตรพอใจมีงานทําใจก็จะไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปผลิตสมุทัยคือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปใจก็จะไม่ ผลิตวความทุกข์ใจเป็นแาบประเไปกำลังแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายหลายหลายสิท่าด้วยกันพอไม่มีความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายก็เป็นเหมือนกับหมอหมอบอกว่าจะฉีดยายังไม่ทันฉีดถ้าเราใจเราไ ม, ไม่เคยถูกไม่ได้ มีสติปัญญาสมาธิควบคุมอยู่มันจะทุบไปก่อนนะถ้าเป็นบ้างๆก็ไม่ยอมฉีดเลยเช่นเด็กที่กลัวเข็มฉีดยานี่จะร้องไห้ไม่ยอมฉีดเลยแต่ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาควบคุมใจอยู่แล้วก็ฟังแล้วก็เฉยก็ดูความจริงความจริงนะโดยทอ้งนี้มันยังไม่เจ็บเลย ตอนนี้เข็มยังไม่ได้ทิ่มขเข้ามาเลยจะไปกลัวทำไมจะไปเจ็บทำไมแล้วพอเวลาเข็มทิ่มเข้าไปจริงๆก็มันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่เรากลัวกัน <c oughs> เพราะความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจที่เกิดจากความกลัวนี่ความไม่อยากให้ร่างกายเจ็บ นี้ก็เป็นการทํำคำว่านและการเข้าห้องสอบสําหรับความเจ็บนี้เราก็เข้าห้องสอบที่บ้านไปได้ทางเลาะที่บ้านเป็นห้องสอบไปได้จนนั่นไปแล้วก็ไม่ไม่ลกพอให้เจ็บแล้วใช้สติใช้สมาธิแก้ไปในเริ่มต้นกับแล้วจิตสงบความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ ไม่ไม่ทำให้ใจรื่นวายเดือดร้อนก็ใจสงบไม่ไม่ไปนสนใจกับความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปพอเรามีสมาธิขั้นต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญาเวลานั่งรับเจ็บเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเจ็บนี้มันก็เป็น สิ่งที่เราจะต้องกระเชิญแาบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เพราะร่างกายนี้ต้องมีความเจ็บกล้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้หรือกระเชิญได้ถ้าเรามีปัญญาที่จะสอนใจ ไม่ให้ไปกลัวความเจ็บไม่ให้ไปอยากให้ความเจ็บนี้หายไปให้เห็นอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ใจนี่มันเกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากไม่ให้ไม่ไม่ต้องการที่จะพบกับความเจ็บ เราหยืบความอย่ากนี้ได้ทำใจให้เฉยๆแล้วก็ไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะหายเมื่อไรก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็หายเอง <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วเม้แต่เวลาที่ตายก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายตอนเป็นมันก็หายตอนตาย เวลาร่างกายหยุดหายใจความเจ็บมันก็หายไปเพราะเวลาที่คนตายนี่เขาเอาไปเผาเาเผาไฟมังไม่มีอาการเจ็บจะดงอาการเจ็บให้เห็นนั่นก็เป็นเพราะว่าใจไม่ไปนับรู้ร่างกายแล้วใจได้แยกออกจากร่างกายไปแล้วคนตายนี้ไม่มีใจเหลืออยู่แล้ว ตอนนั้นละคายจะไปทําอะไรกับร่างกายแล้วก็ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการเซลล์ลุหวัดถวะเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วตัดขาดจากร่างกายไปแล้วถ้าเรามีสติตสมาธิปัญญาแล้วก็สามารถตัดขาดจากร่างกายได้ขึ้นตัด แต่ไม่ได้ตัดดา บ, บตายตัดดา บ, บตายนี่มันแบบว่าไปอยู่กันคนละโลกไม่เกี่ยวข้องกันไม่รู้ไม่เห็นกันแต่นี่เราตัดด้วยสติสมาธิปัญญาเราก็ตัดอุปาทานตัดความหลงความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความเจ็บเป็นของเราว่ามันมัน มันมันอะไรมันมันมันมันเที่ยงแต่ความจริงมันก็ไม่เที่ยงหรือมันก็เกิดแล้วมันก็หลับของมันไปเราไม่ต้องทำอะไรเราปล่อยเข้าไปตามความจริงของเขาเราเพียงแต่ทำใจเราให้เนื่องเหมือนคำพูดที่ว่าใจดีสสือ ทำใจดีก็คือทำใจนิ่งๆทำใจให้เป็นเปลืกขาวไว้เพราะนั้นเป็นวิธีเดียวของใจที่จะ <c oughs> เผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้และเผชิญกับความเสื่อม ข, ของทุกสิ่ง <c oughs> ทอย่างได้อย่างไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีปัญหา พอเวลาใจเราสงบนี่เป็นกางแล้วก็จะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนก็คือใจเราไปเดือดร้อนกับเขาเองใจเราไปกับเพื่อนไปกระศับกระสายกระวนกระวายไปหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเองถ้าเราหยุดอาการเหล่านี้ได้ใจของเราก็เย็ยนสบาย เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ใจของเราปกติก็เย็นสบายเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใจของเราก็ปั่นปวดวุ่นวายขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะรักษาใจของเราให้สงบเป็นปกติ ได้ทุกสภาพทุกเหตุการณ์ดังนั้นเราจึงต้องไปหาเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิด อ, อาการปันรป่นป่วนเกิดอาการปุ้นวานขึ้นมาเพื่อให้เราจะได้เอาธรรมะมาทำใจให้เป็นปฏิปุสุเหมือนตอนที่เราอยู่ในที่ เราเคยอยู่อย่างสุขสบายเป็นเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนร่างกายนี้บางทีไม่มีภูมิคุ้มกันโรคถ้าเราฉีดเชื้อโรคของโรคเข้าไปจำนวนเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อไปกระตุน้นให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงาน เพราะเมื่อมีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายก็จะต้องผลิตเครื่องมือมาต่อสู้กับกับโรคภัยที่เข้าไปในร่างกายถ้าโรคเข้าไปในจำนวนเพียงเล็กน้อยไม่มากร่างกายก็สามารถที่จะผลิตภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคได้แล้วต่อไปพอ เชื้อโรกเข้ามาเป็นจานวนมากก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะร่างกายได้มีเวลาผลิตภูมิคุ้มกันโรคได้ได้แล้วจันในการที่เราไปอยู่ตามสถานที่ที่เหมันทุกข์ยากลำบากเต็มไปด้วยภยัยตา่างๆมันก็เป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของใจทำงาน ก็คือกระตุ้นให้เกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมานั่นเองที่นอบายต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านปฏิบัติแล้วท่านก็นามาสอนเช่นให้นั่งสมาธิการบรรนานทีละสีหชั่วโมงก็เป็นการกระตุ้นให้สติสมาธิปัญญาทำงานเพราะเวลานั่งอย่างนั้นถ้าเราไม่ ไม่มีสติสมาธิปัญญาจะทนนั่งไม่ได้ <c oughs> หรือไปอยู่ตามสถานที่ที่น่ากลัวหรือการอดอาหายหรือการถือวิริยาบท3เรเลวันเนสัพชิตมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เราต้องสร้างภูมิ <c oughs> สร้าง สติสมาธิตัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะดับความไม่เป็นปกติของใจความวุ่นวายกระสับกระส่ายต่างๆดังนั้ น, นการปฏิบัติที่ต้องการการหมดพ้นจากความทุกข์ต้องการสำเร็จ ต้องการบรรลุมากกว่านภ้ไปคืต้องกล้าที่จะไปอยู่ตามสถานที่ที่ที่อัตถะกับสมที่วีไพร่เล่าได้เพื่อที่จะได้กระตุ้นมกักแลวก็คือภูมคุมกันความทุกข์ใจที่จะเกิดจาก เชื้อโรค ก, ก็คือความอยากคือวิภาวะตหางรภาวะต่างๆวา่าการต่างๆพอเรากระตุน้นมากขึ้นมาสูกสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเราก็จะมีอาวุธไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคของใจหรือต้นเหตุของความทุกข์ใจ มีความสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงเกลียดดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็จะไม่สามารถผลิตความทุกข์ขึ้นมาได้ใจก็จะ หมดเย็สบายตายที่ ท, ที่ที่ที่ตรงนั้นก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปตอนต้นเวลาไปก็เหมือนว่าจะไปตกนรกทันแต่พอแก้ปัญหานแล้วนะที่ตรงนั้นกลับกลายเป็นสวรรค์ไปเพราะว่าเป็นที่ไม่วุ่นวายไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายต่างๆเหมือนกับที่บ้านเรา ที่เราคิดว่าเป็นสวรรค์แต่ความจริงมันมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ต้องต้องต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเช่น <c oughs> ขั้นตอนแรกก็ต้องศึกษาก่อน ให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วเราก็ซ้อมเก่อนทำการบ้านไปก่อนทําที่บ้านไปก่อนเมื่อเราทําได้เต็มที่แล้วด้นต่อไปส่วนไหนที่เรายังต้องออกไปหาเปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วก็ต้องไปเช่นเรื่องของความกลัวเพราะถ้าอยู่ที่บ้านนี่มัน จะไม่มีอะไรทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ให้เกิดสติปัญญาที่จะมาคุ้มคองป้องกันเรือ่อยึดหรือดับความกลัวเราก็ต้องไปหาสถานที่ที่มันทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ใช้สติสมาคุ้ปัญญาขึ้นมาแก้ความกลัวนี้ แต่บางอย่างเราก็สามารถทำที่บ้านได้เช่นอดอาหารหรือนั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาย า, ยาวๆวันงานจะนั่งแบบสบายไปก่อนก็ได้จะนั่งเก้าอี้ไปแล้วท่านต่อไปก็นั่งขัดสมาบรไปขค้ือยู่กับกำลังของสติสมาธิปัญญาที่กเรามีอยู่ ถ้ามีน้อยต้ต้องย่า น, นั่งแบบสบายไปก่อนนั่งเก้าอี้หันเท้าไปแต่ไม่รู้ไปไหนสัก4ี่ห้าชั่วโมงนั่งไปอย่างนั้นแล้วก็ใช้สติสมาธิปัญญาคอยดับความปัป่นป่วนดับความอยากที่จะลุกจากที่นั่งนั้นไปการอดอาหามันก็เป็นการสร้างความปัป่นป่วนใจได้เหมือนกัน เวลาหิวใจมันก็จะคิดพุ้งสร้างคิดอยากจะรับประทานนะครับถ้าเราไม่ดักมันมันก็จะทนไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปหาอะไรมารับประทานเราจะอยู่เฉยๆเหมือนเวลาที่เรารับประทานอาหารตามปกติไม่ได้เพราะความหิวมันจะเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญานี้มา โมดดับมันเช่นเท่าก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบมันก็จะใช้มันก็จะได้สมาธิถ้าออกมาถ้ามันหิวก็ใช้ปัญญาว่าความหิวมันก็เป็นความเจ็บของร่างกายเป็นเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับร่างกา ย, ยาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับหรือสั่งเขาแม่ให้หิวได้ แต่ถ้าเราไม่กลัวความหิวแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความหิวก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความหิวนี่มันรุนแรงกว่าความความหิวของร่างกายความหิวของร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทุกข์พอเราจับความทุกข์ใจได้ความหิวของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เช่นพระพุทธเจ้าทรงอดประกายาไหาหน้าถึง49วันพราพระองค์ก็มีมีสมาธิแต่ตอนนั้นพระองค์ไม่ไม่รู้จักอริยสัจสิไม่รู้จักายรักอม่รู้จักทุกข์งนาาักตาจึงยังไม่สามารถที่จะจำจักทางทุกข์ใจที่เกิดจากธรรมนได้อย่างถาวร กำจัดได้เฉพาะช่วงที่เท่าสมาธิพ อ, อจากสมาธิมาความหิวก็ปรากฏแล้วผ่วานทุกใจก็ปรากฏตามมาเพราะความอยากเพื่อความหิวหายไปความอยากที่จะรับประทานอาหารเพื่อจะดับความหิวนั้นแต่ถ้าพระ อ, องค์ได้ทรงเจริญปัญญาทรงพิจารณา ว, ว่าความหิวหรือเวทนา ทางร่างกานี้ก็เป็นสภาวะทางที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความอยากให้ความหิวหายไปถ้าเราอยู่กับความหิวได้เราก็ไม่เราก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้แต่ถ้าเราอยู่กับความหิวไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีดับความหิว ซึ่งส่วนมากก็ดับด้วยการหาอะไรมารับประทานมันก็ดับได้ชั่วคราวรับประทานเสร็จแล้วเด็ก4ีหชั่วโมงก็เกิดความหิวขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเราดับความคลัวความหิวได้ต่อไปเวลาหิวจะรับประทานก็ได้ไม่รับประทานก็ได้ไม่เป็นปัญหาถ้าจะรับประทานก็ไม่ได้รับประทานเพราะว่ากลัวความหิวหรือยากจะดับความหิว รับประทานรเพราะว่ามันยังต้องดูแลร่างกายนี่อยู่ยังต้องรักษาร่างกายนี่อยู่ก็เหมือนกับรับประทานยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรับประทานยา <S <S แต่ไม่ได้รับประทานเพราะว่ากลัวกลัวความหิวของร่างกายหรือกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย ม, มียาก็ไม่รับประทานก็ได้ถ้ามันจะตายก็รับได้แล้วความตายก็รับได้ความเุดบไายได้ป่วยก็รับได้ความหิวก็รับได้ที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมีสติสมาธิปัญญาเราจะสามารถอยู่กับเรื่องราวแบบนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนนี่คือการ การแก้ปัญหาของเราเราต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาผู้ใช้ประสง์แสดงบอกไว้แล้วว่าเป็นการเกิดแก่เจ็บตายการยึดติดผู้ประทานใน15คือร่างกายเวทนาสัญญาสังคางยืยันเราต้องปล่อยวางร่างกายเราก็ต้องปล่อยเวทนาเราก็ต้องปล่อย เวทนาสัญญาสังขารหยญญาณนี้มันมาเป็นพวงปล่อยน่าปล่อยเวทนาด้านนั้นก็ปล่อ ย, ออ ย, ออยสัญญาสังขารหยุดยาณไปควบคู่กันเวทนานก็คือความเจ็บเตียกยเกิจดกจากการเจ็บแข้ได้ปวดของร่างกายหรือเกิดจากความหิวของร่างกายนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ที่ไม่มีใครจะใช้วิธีอื่นได้ต้องใช้วิธีนี้ต้องเผชิญกับความจริงทุกข์กระสับในความแก่ความเจ็บ ค, ความตายความไม่เที่ยงของขันห้าการไม่มีตัวความไม่มีตัวตนของขันห้าความทุกข์ของขันห้าถ้าไปยึดไปติด ถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้ขันท่าเป็นไปตามธรรมชาติของเขาก็ใจก็จะไม่ทุกข์เวทนาจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เวทนาจะสุขก็รู้ว่าสุขเวทนาจะรู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์ร่างกายจะตายก็รู้ว่าร่างกายจะตายร่างกายยังอยู่ก็รู้ว่ายังอยู่ให้รู้เฉยๆได้เลยปัญหาของ ของพวกเราก็คือมันรู้เฉยๆไม่ได้มันชอบเข้าไปจัดการกับเขาอยู่เนื่อยร่างกายก็อยากจะให้เขาอยู่เป็นานานๆไม่อยากให้เขาเจ็บไายได้ป่วยถ้าเขาเจ็บไายได้ป่วยได้อยากจะให้เขาหายไปทันทีทันใด <c oughs> บางทีเราก็ทําได้แต่บางตีเราทําไม่ได้ มันร้อนมากๆแล้วก็ติดแอร์เปิดแอร์มันก็หายนอนได้แต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือกลัวความทุกข์ยากลำบากถ้าเราแก้ความวทุกี่ยากลาบากได้เราก็ไม่ต้องไปแก้ปลายเหตุไม่ต้องไปติดแอร์ไม่ต้องไปทำอะไรต่างๆเพียงแต่แก้ที่ต้นเหตุคือใจคือตัณหา ดูที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หยุดตัวนี้ได้เราก็จะปวดปัญหาดังนั้นเราต้องถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนในขั้นตอนของการปฏิบัติตของเราเรายังอยู่ในขั้นการศึกษาอยู่หรือว่าเรากาลังทำการบ้านอยู่หรือเรา กำลังอยู่เข้าห้องสอบอยู่ถ้าเราไม่เข้าห้องสอบเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่เราจะได้รับปริญญาหรือไม่จะได้เลื่อนชั้นหรือไม่ชั้นเรื่อนเราก็มีอยู่สี่ชั้นชั้นโสดาชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีชั้นอาลัง ก่อนที่เราจะเข้าห้องสอบได้เราก็ต้องทําการบ้านก่อนที่จะทําการบ้านได้ก็ต้องฟังเท่าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของท่านก่อนฟังแล้วก็เอาไปทําการบ้านเมื่อทการบ้านพร้อมแล้วเราก็ไปสมัครสอบที่ไหนก็น เ, เปิดเปิดการสอบเราก็ไปสมัครไปขอสอบ เมืช้านี้มีญากโิโยมเอารูปของลูกชายม า, าขอขอให้ช่วยเขาจะสอบเขา้าจุฬาภิวำนัือว่ามองว่าสอบเป็นท่านอาหารมันง่ายกว่าเพราะว่าสมัครเท่าไหร่ก็รับเท่านั้นแต่สอบแหกจุฬานี่เขาสมัครพันแต่เขารับเพียงร้อยเดียวเอ จะเก่งขนาดไหนก็รับได้เป็นร้อยคนไปแต่ถ้าเก่งถ้าเก่งพันคนเขาก็รับเป็นร้อยคนแต่ถ้าสมัครเป็นผ้าหลานถ้าเก่งพันคนก็ได้เป็นผ้าหลานทั้งพันคนไม่มีจำนวนจำกัด <Okay. S 1> เราถึงบอกว่าการเป็นผ้าหลานนี่ง่ายกว่าการสอบเข้าปริญญ า, าโอกาสมันได้เต็มทุกคนทุกคนมีโอกาสทุกคน ท่านอาจารย์ท mm ี่รู้ถึงว่าเรื่องของทุกเวทนาที่เกี่ยวร่างกายเนี่ยนะคนที่เจ็บป่วยคนทุกทนมานร่างกายและใจเนี่ยคราวนี้เวลาเขาเกิดก็ตายไปที่ขณะที่จิตเขายังไม่สามารถที่จะวางได้่ะฮะความเจ็บเนี่ยที่มันติดอยู่กายเนี่ยแม้จะขาดจากกันแล้วเนี่ยมันติดจิตไปไหมครับติดใจไปไหมครับมันไม่ติอ่ะ ความเจ็บของใจก็ความเจ็บของใจความเจ็บของร่างกายก็ของร่างกายเพราะฉะนั้นการหยุดร่างกายก็ขาดจากใจถูกไหครับหรือแต่ความเจ็บที่อยู่ในใจความเจ็บในใจก็เป็นกิเลส่ยเป็นกิเลสภาว่าตัณหาวิคัสสนาชัยหาส่วนนั้นไม่ขาดแน่นอนใช่ไหมครับถ้าถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาขาดมันมันก็ยังอยู่ต่ออยู่ต่อไปอยู่ต่อไปแต่ความรู้สึกว่าตัวเองยังมีร่างกายหรือเจ็บตรงนั้นตรงนี้อยู่ก็หายไปแล้วนะครับ ที่รับรู้ได้รับรู้ความเจ็บของร่างกายได้แต่รับรู้ความเจ็บทางใจอแต่ที่ปวดระวังไม่ได้นี่ความเจ็ก็คือความเจ็บนี่มันเป็นเหมือนโรคความเจ็บกายก็เป็นโรคอันนึงความเจ็บใจก็เป็นโรคอันหนึับเวลาเรากินยาสม่ว่าเรากินยาทางใจธรรมะองศ์ก็ไปเราก็รักษาความเจ็บทางนั่งทางใจปลาใจครไป ในวันของเราเราไม่มียาจะรักษาความเจ็บทางร่างกายความเจ็บทางร่างกายก็ยังมีความเจ็บต้องคิดต้องเปรียบเทียบเป็นคนสองคนไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันความเจ็บของคนยังหายความเจ็บของคนยังไม่หายมันก็ไม่หายมันไม่ได้หายตามันไปครับแยกส่วนกันความเจ็บทางร่างกายก็ต้องใช้ยารักษาโรคของร่างกาย ความเจ็บทางใจก็ต้องใช้ธรรมโอสถ ร, ร, รสักษาครับอย่างเช่นเวลาที่กนเจ็บแล้วพระพุทธเจ้าไปทรงแสดงธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงเอาธรรมโอสถไปรักษาใจซึ่งความเจ็บทางร่างกายนี้มันทางใจนี่มันรุนแรงกว่าความเจ็บทางใจหนึ่งต่อสิบเนี่ยพอความเจ็บที่รุนแรงคือทางใจนี้มันดับไปก็สามารถ ใจก็สามารถสั่งให้ร่างกายลุกเคลนขึ้นมาทำอะไรได้แต่ความเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่แต่มันไม่เป็นปนัญหามันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเวลาเจ็บทางใจมันทุกข์มากมันไม่อยากจะทําอะไรนี่ก็อยากจะลุกขึ้นทํานู่นทานี่นะจ๊ะพอดับไอตัวที่ทุกข์ทรมานจใจนี่ได้หายไปในกระปีก้กระเป๋าสดชื่นเบิกบานมันก็ สั่งให้ร่างกายทําอะไรได้เพราใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวอยู่ที่ใจเป็นผู้สั่งถ้าใจไม่สั่งร่างกายถึงแม้จะทําอะไรยังทําอะไรได้อยู่ก็เหมือนกระทาไม่ได <c oughs> ้่ที่เวลาผู้เจ้าไปป่วแล้วก็ไปสแสดงพูดชมบอสแสดงเสร็จคนป่วยก็หายปิดทิ้ง แต่มันหายหทางใจ <Okay. S 2> ความปวดทางร่างกายก็ยังเป็นอยู่แต่มันไม่เป็นประเด็นสำคัญ mm hmm. ความเจ็บของทางร่างกายมันเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บของทางใจ mm hmm. สิบต่อหน่งอย่างนี้ครับ mm hmm. ความความเจ็บที่รุนแรงคือในใจหายไปหมดแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหา เรื่องอะไรเขาบวลาคนที่เขาป่วยหนักมีคนชอบสวดผู้ชงนี่ยแสดงว่าต้องการคําสอนพระเจ้ามารักษาใจผู้ป่วยให้ระวางแต่ก็มไม่คิดอย่างนั้นเลยเขคิดว่ามารักษากายถ้าส่วนใหญ่รักษากาย<ต>ไม่รักษาใจกา็อยากจะให้ร่างกายหายซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นคนล น, นประเด็นกันแล้วก็การส่วนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาใจให้หายได้นอกจากทําให้ใจสงบเป็นสมาธิ ก็รักษาแรกแบบชั่วคราวยังไม่หาอย่างเท้าวนอนถ้าจะให้หายนเท้าวอนก็อย่างที่พูดต้องใช้ปัญญาต้องไม่กลัวความเจ็บของร่างกายเหมือนคนที่เวลาที่เขามีความฮึดสู้อย่างนี้ถึงแม้เขาจะถูกยิงแล้วใจก็ยังสู้อยู่ร่างกายถึงแม้จะถูกยิงใจยังสั่งนั้มันลุยต่อไปได้ เดินต่อไปไปต่อสู้กับสู้ต่อสู้ได้ต่อไปเพอาะาอำนาจของใจใจสู้ถ้าใจไม่สู้แม้แต่ร่างกายจะแข็งแรงยังไงก็มีแต่จะวิ่งหนีอย่างเดียวด <c oughs> ันต้องแยกประเด็นกันนะความเจ็บของร่างกายบางทีความเจ็บของใจหายแต่ความเจ็บของร่างกายไม่หายก็ไม่เป็นประเด็นอะ เหมือนกับเหมือนกับไม่้มีอะไรเกิดขึ้นแต่บางทีความเจ็บของใจหายไปความเจ็บของทางร่างกายก็หายไปด้วย <s> เพราะว่าความเจ็บของทางร่างกายมันเกิดจากความเจ็บของใจเป็นเหตุก็มีใจเครียดเลยทำให้ร่างกายปั่นปวนทำให้เกิดอาการเจ็บอะไรขึ้นมาทางร่างกายแต่พอใจหายหายเครียดหายทุกอาการที่เกิดจากความเครีย ทาใจที่ทําให้เกิดความเจ็บทางร่างกายก็หายไปด้วยอก็เป็นไปได้สองรูปแบบเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเวลาลองบริกรรมนี่เวลาจิตสงบบางทีใจก็สงบความเจ็บที่รู้สึกว่ามันมุนแบบรงแล้วเกิดมันก็หายไปที่มันหายไปก็เพราะว่ามันไม่มุนแรงอย่างที่เราคิดแต่เวลาที่ มันเจ็บแล้วเราเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าใจเราไปขยายความเจ็บขึ้นมาเองอหมือนี้เอาแั่นไปขยายมันจะมีรู้สึกว่าโอ้หมันใหญ่โตเหลือเกินแต่พอใจสงบพักมันเพิ่มความเจ็บนิดเดียวหรืมันก็ไม่เจ็บเลยอครับงนั้นเรื่องของความเจ็บของร่างกายนี่ไม่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ ไม่ใช่เป็นตัวที่เราจะต้องการที่จะมาแก้เราต้องการที่จะมาแก้ความเจ็บทางใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บทางร่างกายหรือกลัวความตายเราต้องแก้ตัวนี้ให้ได้แก้ตัววิภาวะตัณหาคือความไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอไม่มีความไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วมันก็จะ ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บกับความตายของร่างกายก็ <c oughs> จะอยู่ไปได้อย่างสบายเจ็บค <c oughs> ่าย ไ, ได้ป่วยก็รักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป <c oughs> ความตายก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาไปห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ก็ต้องตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายท่านั้นเองถ้าแก้ตัวความหลงได้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราจะไปวุ่นวายไปกับความตายของร่างกายทําไมเหมือนกับเราหลงรักใครเวลาเขาตายไปเราก็ไปวุ่นวายไปกับเขาไปวุ่นวายกับความตายของเขาแต่ถ้าเราไม่ชอบเขานี่เราจะไปรุ่นวายไหม เขาตายเรากับดีใจด้วยนี่เราอย่าไปชอบอย่าไปชอบร่างกายมองร่างกายเนกับมองที่คนที่เราเกลียดพอเรามองร่างกายของเรามองมืกับเรามองคนที่เราเกลียดเวลาร่างกายมันเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์ใจเลยกับร่างกาย นั่นก็สิ่งที่เราขาดกันก็คือเครื่องมือที่จะมาแก้ความกลัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือมรรคที่องค์สําคัญที่เราขาดก็คือสติสมาธิปัญญาศี่มิตทางเราก็พอมีกันเราทาทางเรารักษาศี่กันอยู่แต่เราไม่ค่อยได้ไดมนเพญ ภาวนาคืการเจริญสติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกรอบที่สําคัญถ้ า, ปญญาเป็นยาก็เป็นสารที่สําคัญของตัวยาทานกระสีนี่เป็นอาจจะเป็นเหมนกับส่วนประกรอบส่วนย่อยแต่ส่วนสําคัญก็คือสติสมาธิปัญญา เราต้องควรที่จะพิจารณาดูว่าเรากระมังขาดอะไรยาที่เราจะใช้รักษาโรคใจหลังนี้เราขาดอะไรทานเราถาดหรือไม่ศีลเราขาดหรือไ ม, สาาอม่สติสมาธิปัญญาเราขาดหรือไม่อย่าไปใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินสูตรมันจะไม่มันไม่เป็นไปอยู่เช่นใช้ทางสักเกาสิบเใช้ศีลสาก แล้วใช้สติสมาธิปัญญาสัก 5% เอนย่างนีน้มันก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้มันต้องเป็นไปตามสูตรทานก็ทำา ท, งท้งที่เรามีอยู่เราไม่ยึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองไม่โรคอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็ถือว่าเราเราได้ทำทานครบส่วนแล้ว ศีลเราก็ราาักษาศีลห้าศีลแปดหรือศีลสอยยบเจดไปเราก็ได้ศีลเต็มที่แล้ววันนี้เราก็ต้องเจริญทั้งวันตัน้งแต่ตื่นจนหลับควบคุมความคิดของเราไม่ให้ลอยไปลอยมาแล้วก็นั่งให้มากจะนั่งให้มากก็ต้องตัดทารกิจการยานต่างๆให้มันน้อยลงไปถ้าทํามากินทางานทำการก็ควรจะเราออกจากงาน ไปอคนเดียวอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ทำเท่าที่จําเป็นงานจําเป็นก็กวบบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าหาอาหารแล้วรับประทานอันนี้ก็เป็นงานที่จําเป็นเราจะได้มีเวลานั่งสมาธิได้มากเดินจงกรมได้มากพอเราได้สมาธิเราก็จะได้จเจริญปัญญาต่อไป ใใใใพิจารณาหนิาจังทุกขังหน้าตาพิจารณาอริยสัจสีดูใจว่าของเราใจตอนนี้มันมีกำลังผลิตอะไรกันแนะ่กำลังผลิตมากหรือกำลังผลิตสมุทยัยถ้าผลิตสมุทยัยเราก็ต้อ ง, ต, องต้องหยุดแล้วเราหันกลับมาผลิตมากหยุดก็คือการเจริญสตินี่เองการเจริญสติก็เป็นการผลิตมากและเป็นการหยุดสมุทัยไปในตัว หยุดความคิดปรุงแต่งไปในทางสมุทยัยความคิดให้มันจะ 99% มันจะไปในทางสมุทยเราต้องหยุดมันก่อนโดยการใช้พุทโธโปรแกรมพุทธโธไปมันก็จะไปคิดอยากจะไปนูนั่นทางนี้ไม่ได้อยากจะไปที่นั่นที่นี่นี่ได้พอมันไม่มีความอยากมันก็เย็ยนสบายอยู่เฉยๆไดน้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ได้ ยังอยู่กับที่ได้สี่ห้าชั่วโมงก็นั่งได้ <c oughs> ก็ได้สมาธิขึ้นหลักได้ความสงบแล้วก็ได้ตับความอยากไปได้ปัญญาดูใจตลอดเวลาถ้าจะดูใจต้องดูอย่างนี้ที่เล็กเขถามว่าดูจิตดูยังไงก็ดูว่าตอนนี้จิตกำลังเป็นโรงงานของกิเลสนรืเป็นโรงงานคำทา ถ้าจิตคิดไปนในทางทางมคิดไปนในทางไฟละคิดไปในทางอาริรยสัจสี่อันนี้ก็อา จ, จะเป็นเป็นมัดก็ปล่อยให้มันคิดไปทําคิดไปในทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ต้องหยุดมันเพราะถ้าไม่หยุดมันมันก็จะเกิดความทุกข์เช่นอยากจะสูบบุหรีอยากจะดื่มเหล้าถ้ายิ่งคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งทรามารย์ใจ ยิ่งหงุใจคนที่อยากจะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าก็จะคิดแต่เรื่องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าจะไม่คิดเรื่องอืง่นแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดเรื่องอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่ได้คิดถึงโลกภัยไข้เจ็บที่จะตามมาจากการดื่มสุรายาเมายากการสูบบุหรี่มันก็จะทําให้หยุดความอยากได้ การดูจิตต้องดูอย่างนี้หรือว่าตอนนี้จิตของเรากําลังไปในทางไหนไปในทางมากหรือไปในทางสมุทัยถ้าไปในทางสมุทัยก็ต้องสกัดถ้าไปในทางมากก็ต้องส่งเสริมถ้าคิดอยากจะยุดื่มสลราอยากจะหยุดดื่มอยากจะหยุดสูบบุหรี่ก็สนับสนุนเลเออดีหยุดได้ก็ดียายาสู อยากดูถ้าคิดอยากจะไปทําบุญก็ไปเลยคิดอยากจะบวชชีก็บวชเลยอันนี้เป็นมรดกทั้งนั้นถ้าจะคิดไปแต่งหน้าทาปาไปทําสัญยกรรมก็หยุดเสียไปทางสมุทัยไปทางการรักหาความอยากสวยอยากงาเป็นเรื่องของการรากษาอยากจะไปซื้อชุดใหม่ชื่อรองเท้าคู่ใหม่นี้ก็ต้องเบรกอยู่ ใช้ดิสเบรกเหยียบไปทําบุญดีกว่าเอาเงินที่จะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นี่เอาไปทําบุญดีกว่า <c oughs> นี่คือการดูจิตไม่ใ <c oughs> ช่ดูไปจิตมันทําอะไรก็ปล่อยมันทําไปมันอยากจะไปเที่ยวต่อไปอยากจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ไปอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไป อยากจะไปเดินห้างกลับไปอยากจะไปกินขนมนมเลยที่เราไปเที่ยวนี้กลับไปนี่ดูจิตไปให้มันเสียเวลาดูไปทําไมดูไม่เกิดอไอยู่ดูไปจนวันตายมันก็ไม่ได้อะไรดูต้องดูอริยสัจสีที่อยู่ในจิตวาตอนนี้มันเป็นฝ่ายไหนฝ่ายมากหรือฝ่ายฝ่ายสมุ ท, ทยัยอะไรถ้ามันเป็นฝ่ายมากตลอดเวลามันก็มันก็ต้องมีผลตามมา เพราะมรรคเป็นเหตุของของผลเมื่อมีมรรคต่อไปผลก็ต้องตามมาผลก็คือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิรขามีผลอนาคามีผลอรหัตมรรถ้ามันมีมรรคก็คือโสดาปฏิมรรคสกิรรคามีมรรคอนาขามีมรรคอรหตมรรคมันต้องตรงนี้ถ้าจะมีจิตต้องดูตรงนี้ หรือว่ากำลังผลิตมรกดรือ ก, ก, ก, กำลังผลิตสมุทัยยถ้าผลิตสมุทัยมันก็จะมีการมาพบรูปพบอรารมประพบมันก็จะมีการเวียนว่าตายเกิดตามมาไม่มีวันสิ้นสุดนี่ที่เรียกว่าทาในในสติปัฏฐานสิ่ก็ให้ดูธรรมดูอริยรสัจสี่ในใจส่วนดูจิตก็ให ที่ท่านหัวให้มีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตถ้าจิตก็ดูว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงฟุ้งซ่านหรือสงบถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องทําให้มันสงบถ้ามันสงบ ก, ก็ต้องรักษาให้มันสงบต่อไปอนี่แต่เนี่ยเรียว่าดูจิตดูเวทนาก็เช่นเดียวกันตอนนี้เวทนาเป็นอย่างไรก็ต้องปล่อยวางเวทนาจะสุขก็อยากไปอยากให้มันสุขไปตลอดมันทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันหายทันทีทันใด ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันไปตามวันที่จังมีการเ ป, ปลี่ยนแปลงไปาความวาของมันเราไม่ต้องไปทำอะไรเราเพียงแต่รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันไม่ใช่พอทุกข์ก็หาวิธีแก้ที่ปายเหตุกันนอนก็ไปเปิดแอร์องนมันก็ไม่ได้เป็นการแก้คต้องแก้ที่จังแก้ที่ตัวสมุทย ความอยากให้ความทุกข์หายไปด้วยการปล่อยวางเวทนาร่างกายก็เช่นเดียวกัร่างกายแกย่จะตายจะแ ก, ก, ก่ก็ดูว่าไม่ต้องทําอะไรนะผมมันจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปเนี่ยนังมันจะเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปไม่ต้องไปหายาเลยมาทากันะทานยังไงมันก็เหี่ยวอยู่ดี <c oughs> ออย้อมยังไงมันก็ขาวอยู่ดี ทำให้มันเหนื่อยไปกปล่บบาๆแล้วใจ ก, ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความไม่สบายใจกับความหี่ยวกับความกับการผมกับผมขาวผมหงอกกับความห่อของผมต้องปล่อยนี่คือให้มีสติวิที่กายไม่ทาานาจิตทำ มีเป็นขั้นของปัญญาถ้าขั้นของสติก็ให้รู้เฉยๆเป็นให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้มีสติกเกาะติดอยู่กับร่างกาย ร, ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรก็ให้เกาะติดอยู่กับการเคลื่อนไหวการทำการกระทําของร่างกายเพื่อไม่ให้ใจลอยไปเลื่อยเปื่อยไม่ให้ไปคิดเลื่อยเปื่อยพอใจมันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันในลานั่งสมาธิมันก็สงบสงบใจก็ จิก็จะนิ่งจะสงบที่เราก็จะรู้จักวิธีรักษาจิตเวลาจิตฟุ้งซ่านจะแก้อย่างไรก็แก้ด้วยการเข้าสมาธิไปหรือแ <c oughs> ก้ด้วยปัญญาทุ้งซ่านเพความอยากอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยอย่าไปอยากแคอย่างเดียวสิ่งนั้นจะเป็นย่งไรก็ปล่อยก็เป็นไปสิ่งนี้นจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยก็เป็นไป <c oughs> ถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ได้ ก็อยากไปแก้ให้มันเนแหงกันเปล่าถ้ายังแก้ได้อยู่ก็แก้ไปถ้าสั่งให้ผมไม่หอบได้ก็สั่งมันไปถ้าสั่งให้หนังไม่ให้เหี่ยวไม่ให้เหยีหเหยวได้ก็สั่งมันไปถ้าสั่งไม่ได้ก็อยากไปอยากไปฝืนธรรมชาติอยากไปทําสัญญกากรรมตกแต่ง เวลาพูดเรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าใครมันมักจะไปนดนใจคนทุกทีเจ้าพูดเรื่องการอดอดสุราอดบูดเลยก็มีคนก็มาหลงกำลังจะจะจ ะ, จะอดเนี่นยพอดีพอฟังแล้วก็จะได้ฟังได้อยบาบแล้ ว, าา ว, วต้องมีภรรยาก็พาษามีมาถือดอกไว้ทุกเทียนมามามาตั้งสัจจะอธิษฐานให้อยู่ถึงสุรา พรเวลาดืมแล้วเอาละวาสร้างความดือดร้อนใหนกับภรรยาเราก็บอกว่าเห็นโทษของของการดื่มชโามทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทั้งกับตัวเราและกับผู้่ถ้าเราไม่อยุดนี่เราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปเพราะก็จะทนอยู่กับเราไม่ได้แล้วก็บอกภรรยายว่าถ้าหยุดไม่ได้ก็ไปดิ <laughs> มีสามีต้องีบเลิกเลยฮะเรียเรียนทิ้งพอผู้ชายไม่เมีคนเดียวในโอกนี้หรอคนดีๆไม่เอางานคนไม่ดีไม่รู้วันนี้มันไปพูดสะกิดใจคนที่จะไปทำสัญญาการหรือเปล่า คนที่ทำมันจะไปย้อมผมเลยไม่ไม่แต้นำปาเโอ๊ยโดนหลายคนท่านั่ะคนไปอยู่ก็เปนใหม่กลัวจะกลัวงูมันใหญ่ๆจังจะกลัวงูเพราะว่ามันมืดแต่มันทางวัดนี่เปลี่ยนเดินน้ำป่าทำไรมันก็มีงูเยอะนะ เข้าไปในกุฏิก็มีในกุฏิอะไรก็งูพิดดษก็อันนี้นะใหม่ก็กลัวนานๆเข้าก็เริ่มตามคนดําอยู่ถ้ามันไม่กลัวก็เป็นไฟเดินไปอะไรให้มันเกิดความกลัวขึ้นมาจริงๆเลยให้มันหนักขึ้นออกเล่าให้มันปร่ง <c oughs> แล้วก็โปร่งมันยอตายพอมันตรงหน้าแล้วมันจะหายกลัวแลอวนี่แก้ปัญหาด้วยหาไฟฉายสว่างๆนั <c oughs> ่นการยังบรรยากาที่ได้ยากาหิวใจเอ เป็นแก้ที่ไปเหตุ เ, เนื้อถ้าแท้แก้ที่เหตุก็คือความกลัวตายเนี่ยความไม่ยอมตายความไม่ยอมรับความตายเราจะถือว่าเราเราประมาทไหมท่าอาจารย์เรเดินถึงมือเดียวที่ไม่ได้ใช้ไฟไเนีอ๋อเป็นเพียงชั่วคราวเป็นการเข้าห้องสอบเท่าั้ ไม่ได้ทําตลอดไปนะส่วนนั้นก็เป็นถ้าตายก็ต้องตายจริงๆแหละมันมันต้องมันจริงถึงตายถึงจัวจริงๆ มันต้องยาวตายจริงๆไม่ใช่แต่ที่บสภาพจิตยังไม่พร้อมเป็นหนึ่งงั้นไปทํามันจะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กําลังมันก็ไม่พอมันไม่ทํารอกทไม่ทํารอกมันไม่ทํามันหรือนักวยถ้ายังไม่พร้อมที่จะไปชิงชค้นเขาไม่ขึ้นไปหรอกอืมใช่เขาต้องมั่นใจว่าเขาต้องทู่ได้เขาถึงจะขึ้นไปอพระฉะนั้นต้องซ้อมไปก่อนไงต้องทำขันบ้านบ่อย ให <c oughs> ้เล็กให้ถึงความตายบ่อยๆแล้วถ้าในที่สุดมันรู้ว่าไม่มีทางที่จะหนีความตายมาได้แถ้า <c oughs> มามากลัวความตายให้มันมันมันทำทุกข์ใจไปเปะปาๆทำไมส้า <c oughs> วันหนึ่งมันก็จะเห็นจัตธรรมว่าความตายมันไม่เป็นปัญหาปัญหามันคือความกลัวความตายไงมันก็ต้องตายแต่ในนักจาตยก็ขอให้มันแก้ปัญหาได้ด้วยดีกว่า อย่างที่ในข้อใจเดอกเมคตายในปากเสืออะไรอย่ี้ยท่านร่างกายตายไปแต่ความความกลัวตายมันก็ตายไปด้วยไม่งั้นเกิดมากี่ชาติมันก็กลัวตายอยู่เนื่ยเกิดมากี่ร้านชาติมันก็กลัวไปอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อเราตาย ร้านครั้งอยู่ดีทำไมไม่ยอมทำไมไม่ยอมตายครั้งนี้ล่ะให้ความตายให้ความกลัวตายมันหายไปเลยต่อไปกรรมมาเกิดหมันก็จะไม่กลัวความตายเน <c oughs> ี่ยท่านโสดาเโสดาก็ไม่กลัวตายยอมรับว่ามีเกิดยอ่อมมีดับเป็นธรรมดาพรอัญญากุลัญญะนีนะ่เนาะธรมใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ท่านนันย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาท่ายอมรับท่ายอมตายได้พอยอมแล้วก็ไม่ได้ตายทันทีทันใดมันก็ตายเหมือนตามที่เวลายังไม่ยอมรับเลยเพราะความตายมันไม่เกี่ยวกับใจใจจะ ย, ยอมรับความตายและไม่ยอมรับความตายนี่มันไม่เกี่ยวกันเมื่อถึงเวลาตายถ้าใจยังไม่ยอมรับมันก็มันก็ตายแบบขัดทุย ก็เ่อกี่รอบต้องน้ำมอถ้ามัน <c oughs> มีจริงๆก็อย่าอย่าไปอันนี้เราต้องการไปที่ที่เราคิดว่ามีแต่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเรก็อย่าไปเดี๋ยวตายก็แล้ว น, น, นอกจากเราใจกล้ายอมตายแบบตายใากเสืออนี้ก็ไปได้แต่ถ้าใจมันยังไม่พร้อมไปก็ ตายเปล่าคนะือ น, นี่สุดเสียทั้งสองอย่างชีวิตก็เสียใจก็เสียหมดเคื่งมันไม่พร้อมใจมันเสียอยู่แล้วมันไม่ใจมเสียอยู่แล้วชีวิตก็ต้องเสียอยู่แล้วอยู่ดีแต่ถ้าถ้าใจพร้อมที่จะตายมันก็ใจก็จะได้กาไรได้ดับความตัวตายได้ อย่างเช่นกครืงวินจะตกเนี่ยแล้วมันทําใจตรงนั้นปึ๊บได้ไหมกันได้แล้วก็ดูทุกครั้งต่อไปมันขึ้นเครื่องคึ้นเครื่องถ้าขึ้นเครื่องยังมีความกลัวอยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่ไมม่่ยังไได้ตัดค่ะเด็ดขาดก็เดินถึงเวลาจริงๆมันคนไม่ได้ฝึกได้หัดมาแล้ไม่ีทางวางได้เลยไม่มีางมันใจอแล้วมันไม่มีทางเลือกอะค่ะไอเนี้ยหนีได้แต่เครื่องบินหนีไม่ได้คือเหมือนใจใจไม่ได้ฝึกไได้หัดมาก่อน ใช้ที่ฝึกไม่ไไหันมาก่อนยากเพราะแต่แคนก็มีวิธีแต่บางคนก็สวดมนต์ไปก็เป็น<อ>ใช้อุบายของสมาธิยอมรับสภาพต่างๆคือนนถ้าคือสวดมนต์นี่ก็เหมือนกับเป็นการว่าอาจจะไม่ยอมตรงยังไม่ยอมตายตาหวังให้พระผู้เป็นธรรมมสงช่วยหรือได้สวดไปเพื่อให้ใจสงบแล้วจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ยังไม่ได้ใช้ปัญญา คือไม่อยอมคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาต้องตายนะถึงตอนนี้ถึงอะไรยามตายก็ตามยไปไม่ต้องสวนนะ่ะนั่งดูมันไปมันดูมันกระทาก ค, คื้นไปมันระแบบเป็นเสียงเสียงไปแ <c oughs> ค่ชั่วขณะเดียวท่านึง่เอยครับเดี๋ยวแล้วก็จบเลยไม่มีใครอยากจะถามอะไรไห หนูไี่ทราบจะทราบว่านี้หนูมาหนูปื้มมากก็ต้ออาการนี้ออกตลอดทายเลยค่ะแต่ปื้มอยู่ข้างในนะคะปื้มแบบติดติดหวงถูกแต่แบบตเหมือนก็ได้เจอพระอรหันต์ อ, องค์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออก็หวงผูกกันแบบเป็นอยู่ข้างในค่ะข้าราชการหนูข้าจารการรู้ดีที่สุดแะคะละก็ขอแสงสว่างธรรเพื่อหนูจะได้อสอนลูกหลานของพระพุทธองค์ทั้ง มาหายาและเห็นยาเพราะว่าของหนูจะเปิดหนูขอแสงสว่างทรรที่บอกไปถูกก็เนี่ยให้เชือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นาทางแล้ศึกษาพระพิธประวัติพระสาลกให้ศึกษาพระธรรมคาสอนอันนี้หลักเป็นแสงสว่างนาทางของเราเป็นที่พึ่งของเรา พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามถ้าสงสารโลกท่านปฏิบัติอย่างไรเ้าก็ปฏิบัติตามําสอนท่านสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามให้ก็สอนใหญ่ๆอยู่สามข้อให้ทําบุญรักบาร์ให้ชำระความโลกความโกดความหลมไม่ว่าจะเป็นพุทธพุทธทางสายไหนก็ต้องเดินทางนี้ด้วยกันทุกคนผมจะเป็นพุทธ พูดแท้พนะระพุทธญาหบอกคำสอนใดที่มีมากเป็นองศานะคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกทางนะเป็นแสงสว่างนำทางให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวีนว่ายตายเกิดได้มนะกแศาจะสรุปลงสามข้ออย่างนี้ก็คือทาบุญละบาปชนะำระความโลกความโกรธความหลงทวาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อันนี้เป็ น, ปนแสงสว่างนำทางไปที่พัทยาเขามีคนศรัท ธ, ธาคนหนึ่งเขากำลังจะทำสถานีาที่เผยแผ่ธรรมะเขาก็มาขอแผ่นซีดีที่มีอยู่ทั้งหมดไปเพราะว่าจะเปิดแต่ธรรมะแล้วก็จะไม่มีโฆษณาไม่มีหาไรายได้ ถ้ามีใครอยากจะสนับสนุนจำบุญเขาก็ยินดีรับนี่บอกขึ้นจะเป็นร้อยจุดสองร้อยจุดสองที่พัยานี่ก็ไม่ได้แรงก็แค่กิโลวัตต์เดียวเขาเขาบอกพ่ออยากจะมาถ่ายทอดเสดบางครัง้ง อะไรอะไรเป็นใจทำใานี่ยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องทอันนี้ยังไม่ได้พูดหอกลเราังที่เขาเล่ามาฟังมเป็นเื่อเวลาเราฟังแล้วเขาบอกวิธีเราก็จอยากทำก็ไ่ทากันอันนี้เพงแต่ก็ตามการมาของเขาเพราะว่าอย่างไรก็ไม่รู้ว่าจะที่ิอย่างไก็ดูไปก่อน เขาไม่ร <laughs> ู้จักเขาเขาก็งไม่รู้จักยังไม่ออกยังไม่ออกอาการก้องลองให้ลองคุณผูเราคุณเราทำทานพวดเลวว่ะเขินนวมากจำได้เอ๊ไวัยมาตามเหมือน้ำตาลน้กินน้ำตาลไ่ชอบเคย ปรดีววันนี้มีคำถามถามท่านอาจารย์ปดีนอาจารย์ทาารยเทศก็เรียบร้อยแล้วคะเี๋ยวก็เรื่องาหารคะเพราะปะกติท่านอาจารย์บอกว่าถ้าั่วนอนเนี่ยแบบว่าเ ร, าาราาท า, านอิใช่หะถ้าทานอื่มเขจะทาให้ม่วนอ น, น, น, น, นอเวล า, า, า, านั่งสมาธินาาั่งภนะาาแกตว่ามุ่งความรู้สึกว่าเมื่อวานนี้วน้ากสีสิบแปใช่คะทานข้าวเที่ยงให้11โมง พอตอนเย็นแต่ก็ อ, อยู่ที่เขาสวนหลวงไม่เป็นไรนะไม่รู้จุดอื่ตอนเย็นเนี่ยพอตกสักห้ามงันก็เริ่มหิวแท น, นีมันจะน่งแบบระกบแบบที่ทันจารว่างเมนูอาหารก <c oughs> <c oughs> ็ต้องนึกถึงอาหารที่อยู่ในปาก น, นะ <c oughs> อาจารย์ถ้าอาจารยกถึงเมนูอาหารก็ต้องนึก <c oughs> ถ, ถึงตอนที่มันเคี้ยวอยู่ในปาก <c oughs> แล้วก็คลายมันออกมาดูที่ว่าจะตัดเข้าไปรับประทานได้ไหมได้ไหดูแกนดูแบบนี้ตั้งมาคิดหนูกี้เด็กจนตั้งรับประทานผงหินอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพอดีหนูเปิดร้านให้คนบูชาพระพระุทธองค์ทั้งมหายาและหินยาเพิ่งเปิดค่ะพระอาจารย์พราอาจารย์เคยไปเทพมหาวิทยาลัยเจ้าพญาป่ะคะ ไม่ไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปเลยที่นี่ไม่ไม่รับเท่นนอกสถานที่เห็นน้องเขาบอกว่าพระอาจารย์อยู่แต่ในนี้ไม่เคยไปไหนออันนี้ได้แม่กาบก็ดีใจเมื่อสองวันก่อนก็มีชาวสิงคโปร้ัวมานี่มุนจ้ให้ไปเซี่ยงค์เข้าตัวเราบอกว่าเขามาที่นี่สบายเฉลิกวกว่า พอนนี้ก็ไปพยายามอ่านส อ, อ ไ, ปไปอ่านะล <c oughs> ้วแผ่นซีดีไปฟัง <c oughs> แล้วจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติ <c oughs> ได้ค่ะว <c oughs> ันนี้ดีใจมากไม่รู้เหมือนกันดีใจบอกไม่ถูก <c oughs> บอกไม่ถูก <c oughs> แล้วรู้จักที่นี่ได้ยงไงอ่าพอดีว่า อาจจะได้นังสือมาเล่มหนึ่งอะค่ะจากเพื่อนเขาไปร่วมงานขอบัวแล้วใหนังสือก็มีพระอยู่แปดองค์ที่ลงตาพูดถึงค่ะเจก็กำลังไล่ไปว่ายก็จีนฮาร์ตต้องมีพระจากตุ๊ชาอยู่ชมไปดีแล้วก็บ้านเจ๊ก็อยู่บางไนร์แล้วก็เลยรวมกันนาหาค่าไปกราบกี่องค์แล้วอะองค์แรกค่ะองค์แรกพระชาดูนี่ค่ะกับองค์แรกเลยดีใจมาก้เดี๋ยวก็ต้องไขึ้นดีสัน ดีใจมากดีสุดสุดมาทางที่ไ้มาผิดทางนะฮะผิดทางการไปตามหาดาราพนตรทำมาหาซื้อไม่ได้ค่ะต้องปฏิบัติเองเห็นเองแล้ก็ค่ะลูกๆก็อยากที่จะปฏิบัติอย่างเมงตาเห็นธรรมแล้วก็ทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ยังลูกเจ้าแล้วก็ เพือนกันยานามิทุกคนที่มาด้วยกันค่ะมีสิ่งใดที่ควรที่จะปรับปรุงหรือว่าปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมคะก็ทำทานทานกำลังรักษาศีลศีลห้าวันภาคก็รักษาศีลแปดวันภาก็่อนาปฏิบัติทำไว้พระสวนมนตนั่งสมาธิทงเ ท, ทง่ทำทันไปทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วต่อไปมันก็จะก้าว ก้าวหน้าไปเรื่ยๆค่ะแล้วของของของหนูต้องพระอาจานไม่นับอะไรอีกไหมคะไม่เราก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยได้ทางนี้ต้องต้องปฏิบัติเหมือนกันอค่ะถ้าอยากมาปฏิบัติอที่วัดหลวง่อ<ช>ก็ต้องต้องทํำยังไงคะที่วัดนี้ก็มีที่พักอยู่ข้างล่างอยู่ที่วัดยานข้าบงบนี้ไม่มีที่พักของญาติโยม ที่วน่งนี้เป็นที่พักของสงฆ์ถ้าอยากปฏิบัติก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานของที่วัดเขาจะมีที่พักข้าง<ด>มาพักได้ข้างนอกไม่เกินเจ็ดมันคไม่ต้องไปติดต่อไปจองที่พักได้ค็พักเพื่อ่จะตอบนีเพื่อนจะได้เพศเรื่องดูจิตซึ่งว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่มีปัญหาซึ่งซึ่ง มีมีคนซึ่งคือเขามีความรู้สึกว่ากายกับวาจาแม่กายกับวาจาไม่ได้ร่วงเกินนะคะแต่ใจร่วงเกินถือว่าไม่ผิดเขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งแนะนําอย่างนั้นลูกก็ไม่คิดว่าใช่คือว่าไม่เป็นบาปเพราะยังไม่มีเกิดการกระทำทางการทางวันแต่ใจเป็นใหญ่ไหมคะแ ต, แต่เป็ น, น, ก น, ปนอกุศลไม่อกุศลติดแล้วก็เป็นสมุทยที่ผลิตความทุกใจขึ้นมาได้ค นั่นก็มันเองก็ได้ถ้าเป็นบาปเป็นบาปรายละเอียดที่ยังไม่ยังไม่เป็นเวรเพราะเรายังไม่ได้ไป <Okay. S 1> ทำร้ายผู้ที่ผู้อื่น <Okay. S 1> เวรกรรมก็ยังไม่เกิดไม่บากยังไม่มีแต่มีแต่เฉพาะภายในใจของเราทุกใจของเราเอง ใ, ใจของเราก็ไม่ว่าจะเป็นด้วยสายเหตุอันใดมันก็ความโกรธความเกลียดความอิจฉาวิทยามันก็เป็นไฟอยู่แล้ว เพียงแต่นึกมันก็เป็นไฟขึ้นมามันสมผลให้กับใจแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปทํามันมันก็จะเกิดแค่ชั่วแค่นั้นแลมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไปทําแล้วมันก็จะทําให้เกิดเวนกรรมเกิดความทุกข์ใจตามมาจนพระเท้ทักหลังจากที่พยายามปลงพระชนของพระพระ้าถึงสามครั้งก็เกิดความทุกใจถึงกับ ความใจตายเพราะความสำ น, นึกผิดเพราะความกลัวกับวิบากของการกระทำบาปนี้ที่ยังจะต้องไปรับใช้แต่ถ้ายังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจาเนี่มันก็ถือว่าเป็นอกุศลทางใจก็มีแต่ใจเป็นผู้ที่จะรับเคาะตรงนั้นท่านเองคือ พอคิดไม่ดีใจ ก, ก็ไม่สบายแบนี้เป็นบาปโดยละเอียดไหมคะเกียงแต่เขาไม่เรียกว่าบาป เ, เลยเาเรียกว่าอคุศลเ <Okay. S 1> รืจะเรียกว่าเป็นเป็นสมุทยก็ได้ <Okay. S 1> คิดไปในทางอาวิชชาปัจญาสังขาราคิดไปในการสร้างภพสร้างชาติ<ม> ไม่ทากลับกันถ้าเป็นบุญแล้วค่ะเจตนาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําก็ได้ความสุขใจช่วชั่วขณะที่เราคิดนั้นเหมือนกันแต่จะไม่มีอนิสงส์ตามมาคือจะแค่เราไม่ได้ไปทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นคนหนึ่งเขาก็ไม่มีความรู้สึกที่ดีกับเรากลับมาเราก็ยังไม่ได้สมน์เพรายังไม่ได้เราก็ได้จา จะเฉพอส่วนในใจของเราคือความรู้สึกที่ดีแต่คนอื่นเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีกับเราเขารู้สึกเฉยเฉยคนเขาจะมีความรู้สึกกับเราสแบบดีไม่ดีแล้วก็เฉยเฉยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะเฉยเฉยถ้าเราทำบาปเขาก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับเราถ้าเราทำบุญเากับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกที่ดีกับเรา เวลาเขามีอะไรเขาก็อยากจะให้เราก่อนไม่ว่าบุญกบะเวลาเขาโกรธเขาก็จะโกรธใส่เราก่อนถ้าเราไปทำให้เขาทำให้เขาเจ็บช้าน้าใจเขาก็จะคิดทำร้ายเราก่อนถ้าเราทำบุญทำความดีกับเขาเขาก็จะคิดอยากที่จะตอบแทนคุณเราก่อน คือมันมีคนสองส่วนผลที่เกิดจากบุคคลอื่นที่จะกระทํากับเราและคนที่เกิดกับในตัวเราคือความรู้สึกนึกคิดนี้มันเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราคิดเราคิดไม่ดีใจเราต้ร้อนขึ้นมาเราคิดดีใจเราก็เย็นสงบไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเช่นเราคิดโกรธคนอื่นแล้วพอเราเปลี่ยนใจเมื่อ คนที่เราโกรธเราเกลียดเขาไม่รู้ว่าเราโกรธหรือเกลียดหรือไม่โกรธไม่เกลียดเขาเพราะไม่มีส่วนรับรู้เขาไม่มีปัญหากับเราไม่มีกรรมกับเราอต่ส่วนในใจของเราเราก็สมบหพุงหรือสุขหรือทุกไปกับความคิดของเราความคิดนี้มันจะเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เราไปทําอีกทีน เวลาคิดอะไรไม่ดีก็ควรจะหยุดมันถ้าหยุดมันได้แล้วมันก็จะไม่มีการสตาตามมาหรือถ้าคิดดีแล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้รับประโยชน์เช่นคิดจะไปปฏิบัติธรรมล้วก็ไม่ได้ไปคิดจะทำบุญรักร้อยล้าน แล้วก็ไม่ได้ทำเลยมันก็ด้ความรู้สึกที่ดีชั่อ ว, วูบที่เกิดขึ้นไปภายในใจเพราะเรายังคิดจะทำบุญนะแต่มันยังไม่สำเร็จประโยชน์มียังไม่เกิดบาปยังไม่เกิดอาจารย์เจ้าคะอากาุศลแลตนีลถ้าเกิดว่ามันเกิดบ่อยๆแล้วมันก็จะติดเป็น เป็นนิสัยใคกุศลละจิอกขสุนอกทุกอย่างหมืทั้งกุศลและอกุศถ้าเราทาอะไรไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมันก็จะทาให้เราคิดแบบนั้นอยู่แล้วทําดบอวเข้ามันก็จากนิสัยก็เป็นสันดานแหละเราเป็นแบบนี้ก้อนนิสัยแก้ง่ายสันดานแกยากเมื่อกเราปากเสาลงไปในดินเนี่ย ถ้ายังลงไปได้เล็กมันก็ถอนขึ้นมางา่ายถ้ามันลงไป น, นิสิตันมากเลยก็ถอนขึ้นมายากยงั้นถ้าเรามีนิสัยที่ไม่ดีหรือสันดานที่ไม่ดีมันก็จะยากต่อการแก้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนิสยัยมันก็ยังง่ายกว่าสันดานเช่น<ม>เดียวกับความดีถ้าเรามีมีสันดานในความดีเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีบารมีสิทธ การให้มาเกิดเป็นเจ้าชายศิริทธธัตถะถึงแม้ทางพ่อทางอะไรจะให้ไปทําเป็นกษัตริย์ให้อยู่เป็นมหาจักรพรรดิท่านก็ไม่อยู่ท่านจะไปบวชท่านจะไปทําความดีต่อบางคนเราทํานิสัยแบบไม่ไม่ลงลึกลก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ท่านไปอยู่กับคนดีเขาช่วยไปทําดีก็ไป ไปอยู่กับคนไม่ดีชวยไม่ทําไม่ดีก็ไปเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรที่ที่ฝังลึกในใจเราที่ติดเป็นของเรา <c oughs> นั้นถ้าเรารู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าทาพยายามพยายามฝืนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมันก็จะอ่อนกําลังลงไป <c oughs> อะไรที่ดีถ้าเรา เห็นว่าดีเราก็พยายามทําให้บ่อยๆทำให้มากขึ้นมันจะได้ฝังลงลึกเข้าไปในใจของเราจนทําให้เราชอบแต่ทาความดีไม่ว่าเราจะไปเกิดพบกไหนชาติไหนมันก็จะติดเป็นนิสัยไปอย่างพวกเรานี้ก็มีนิสัยชอบทําบุญมันกำลังมันกำลังติดมา่ย คนที่ยังไม่ชอบเขาไม่มาแม้กะทังอยู่บ้านเดียวกันยังไม่มาเลยรู้ไป้่อนใ่อยู่บ้านเดียวกันรู้ว่ามาทาบุญแต่เขาไม่มาเขาให้มาก็ดีแล้วค่ะเมี๋ยวเอาไล่คน น้อยก็ยังมีอนุโมทนาไม่ขวา้ขางตั้งไม่ต่้างตั้ง อ, อ, อันนี้มันเป็นวิสัยของแต่ละคนที่มันติดมน้ากับใจ แต่ารย์ถ้าสําหรับบางคนเนี่ยที่คิดอะไรขี้สงสัยอยู่ตลอดเวลาใครพูดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออยากจะพิสูจน์อะไรอย่างในลักษณะนี้ถือว่าอุปสงค์จีด้วยด้วไม่หรอกคุณก็ตามที่พระเจ้าสอนว่าอย่าให้เชื่ออะไรแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธเช่นเดียวกันคือไม่เชื่อมเขาไม่เชื่อนี่หมายความว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาพูดแล้วก็กำหูว่าหู แต่เราไม่จะเรายังจะไม่เชื่อทันทีทําใดจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเช่นเขาเอาทองเก้มาบอกเราเป็นทองจริง <c oughs> เราจะเชื่อหรือเปล่านี่ไหที่เราจะเชื่อได้เราก็ต้องเอาไปพิสูจน์ดูก่อนเอาไปที่ร้านทองให้เขาช่วยตรวจ ด, ดูว่าเป็นทองอะไรกันแนะ่ <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าเป็นทองแทะเราก็เชื่อได้ ที่ในการนำมาสูตรที่พระเจ้าทรงสอนก็ให้ไม่ให้เชื่อแบบนี้มีมีอยู่สิบประการด้วยกันคือไม่เชื่อเพราะเขาพูดกันมาก็เชื่อกันมาไม่เชื่อเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เราว่าอาจารย์อาจจะสอนผิดก็ได้เช่นอาจารย์ขององค์คุณได้มาสอนให้ไปฆ่าคนเพื่อจะบรรลุธรรมก็ต้องสงสัยก่อนแล้ะนีม่มันทํานี้ถูกหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ต้องไป หาข้อมูลตอ่อยังเราเป็นคนไข้ไปหาหมอก็เหมือนกันหมอบอกไปโนกมะเร็งเราก็ยังไม่รู้จริงหรือเปล่าเราก็ไปหาอีกรงพยาบาลไปหาอีกหมอหนึอยู่ให้เขาเช็คดูทีว่าบางทีหมออาจจะตาฝ่าตาลายหรือเครื่องมือมันอาจจะเสื่อมคุณภาพก็ต้องหาข้อมูลอะไรจากหลายๆที่จนจนสามารถยืนยันได้ว่าเออเป็นความจริงแล้วเรา ก็ค่อยเชื่อไปในทางศาสนาท่านก็บอกว่าให้ให้พิสูจน์ว่าอันนี้ทุกอันนี้เก็จะสมุทัยหรือเปล่าอันนี้ดับด้วยมรรคหรือเปล่าดับได้ด้วยมรรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใ ห, ให้พิจให้พิจารณาตามความเป็นจริงแต่ไม่ให้ปฏิเสธคำพูดของคนอื่นก็แบบว่าไม่ไม่เชื่อแต่ไม่ลบอยู่ ใคระเจะว่าพระเจ้าสร้างโลกไว้ในเจ็ดวันก็เราก็ฟังไว้เราเชื่ออย่างนั้นก็เรื่องของเขาแต่เรายังไม่เชื่อเรากไ็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราขอเวลาพิสูจน์ก่อนถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไม่ก็ยังแขวนไว้ก่อนอันนี้เป็นไม่ไม่เป็นอกุศลเราเป็นกุศลเป็นเป็นแนวคิดแบบปัญญา ปญญานี้ต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์เหตุกับผลได้เหตุเป็นอย่างนี้แล้วผลเป็นอย่างนี้เช่นปลูกต้นข้าวแล้วได้รวงข้าวออกมาอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราปลูกข้าวเราก็จะได้ผลอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทำบุญแล้วเรามีความสุขอยนี้เราเราจับประเด็นอย่างนี้ได้ต่อไปแล้วก็เชื่อเรื่องการทำบุญ ถ้าเราอยางมีความสุขใจเราก็ทำบุญรักษาสิงก็มีความสุขภาวนาเราก็มีความสุขพอเราพิสูจน์ได้แล้วทีนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่สําคัญเพราะยังไงยังไงเราก็ใครจะมาบอกเราพว่าเป็นอื่นล้วก็ไม่เราก็เราก็ไม่เชื่อเขาแล้วแหะเพราะเราเราู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรแนละ้วเพียแต่ว่าอย่าไปสี่ยงสายในเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ มันไม่เป็นประเด็นมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราเช่นอยากจะไปรู้ว่าโลคนีเ้เกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เ่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไร่ใครเป็นคนสร้างโลกนี้รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนที่วันก่อนกุยนันว่าปฏิสนธิตอนที่ตอนที่ ต, ตั้งอตอนที่เกิดการผสมกัน หรือว่าสามเดือนแล้วถึงจะปฏิสัมพันธที่นี่ก็ไม่สําคัญเนี่ยมันจะเมื่อไหร่มันก็เกิดแล้วสำคัญอยู่ที่ว่าจะปล่อยมันได้หรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเราดับความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าเราไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการดับความทุกข์ก็เสียเวลาไปเปล่า ให้หาคาตอบว่าวิธีดับทุกข์นี่ทำอย่างไรตอนนี้ไม่สบายใจดับทุกข์ได้อย่างไรคือมันมีเรื่อง ม, มีความรู้ที่มันไม่มันไม่เป็นความมันไม่เกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ของเราโดยตรงเราก็อยากไปสนใจรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ เป็นนักปฏิบัติก็ไม่ต้องสนใจติดตามข่าวบ้านเมืองข่าวการเมืองข่าวเหตุการณ์ต่างๆความรู้เหล่านั้นมันไม่เป็นมันไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะมาหลับความทุกข์ใจของเรานอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วก็กลายเป็นนิวนรนทำให้ใจตราทุ่งซ่านนิต ก, กังวลว้าวุ่นขวนญมัวไปต่อๆดูอย่าไปรับรู้ดลยะ อย่างที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาห้องตาก็ไม่ให้พระดูนหนังสือเพมพงไม่ให้ฟังวิทยุ <c oughs> ให้ภาวนาอย่างเดียวคือด งานที่ทาตั้งแต่เริ่มรับราชการเนี่ยทางานด้านตรวจสอบมาตลอดจนมาเปเวลารวมทั้งปัจจุบันเนี่ยก็เวลาสี่สิบปีจนตอนหลังเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเมันชักจะเป็ดเป็นนิสัยเราหรือเปล่าทำทำงานด้านตรวจสอบฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางทีลูกน้องเนี่ยที่ทำงานเข้าดูแล้วก็บอกว่า เขาก็จบลงตรงเครื่องเครื่องกลางกลางระบบไม่ได้ต้องดูต่อไปให้จนจบว่าเขาผิดหรือถูกคือรู้กันให้รู้ไปเลยไม่ใช่บอกว่ามาตั้งคําถามว่าสงสัยเขาบอไม่ได้อย่างนี้ต้องดูต่อต่อให้ลึกลงไปจนรู้แน่ชัดเลยบอกเอ๊ะชักจะติดเราจะติดนิสัยอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเวลาสี่กว่าปีที่กันนิสัยตอนนี้ก็ไม่ก็ดีเพราะเราก็อยากจะรู้ว่าเราดับทุกได้จริงหรือเปล่า เราจะไปสรุปว่าเราดับได้เราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยว่าเราดับความกลัวได้แล้วก็ให้ติดของพิสัยภาวนานะคะกเริ่มภาวนาเยอะๆใช่ไหมคะพระธาตุจะให้ภาวนาดีๆให้เห็นผลพระเจ้าจะเรียนสติให้มากเรนเรียนสติให้มาก ต้องเปลืกคเวกอยู่คนเดียวไม่ดูไม่ฟังํำรวมอินทรียตาหูจมูกนิ้การแล้วก็รับประทานอาหารพอประมาณอันนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้าเจริญสติตั้งแต่ต่งจนหลับอยู่คนเดียวปลิกคเวกเพราะถ้าอยู่หลายคนเดี๋ยวคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใจก็จะลอยไป ใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ไม่ได้เจริญสติเพรไม่ได้เจริญสติพอเผลอไปคิดถึงขนมนมเนยร้าย <c oughs> สีเสียงก็จะเกิดการมาฉันทะของนิวรณ์ขึ้นมาถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรารู้จักกังวลก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็เกิดความง่วงเหงาหงางอน ถึงต้องแก้เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี่เป็นการแก้นิวรณ์นหเจริญสติให้ปิดมือเมกอยู่คนเดียวให้สำมรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูไม่ฟังอะไรต่างๆนอกจากธรรมะนี่ยเดียวฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะได้ แล้วก็รับประทานอาหารพอประมาณวันละมื้อเนี่ยกำลังดีเหมืนเดียวจะาเวลาไหนก็ได้เอาสักเวลาหนึ่งตอนเช้าดีที่สุดมันจะได้หมดหมดปัญหาแต่ <c oughs> ทำแบบวางเนี้คกิน <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นละมันจะได้ว่างจากเรื่องรับประทานอาหารแล้วมันอาจจะง่วงเฉพาะช่วงสองสามชั่วโมงแรก พอหลังจากเท่งวันไปแล้วมันก็จะหายง่วงมันจะไม่ง่วงแต่ถ้ารับประทานไม่มากมันก็ไม่ห่วงรับประทานพอประมาณต้องไปยายามเดินจนโคมนั่งสมาธินี่เป็นการจเจริญสติเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธทำอะไรก็พุโทโธอย่างเนี้มันก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะติดใจ พอได้รับรางวัลแล้วได้เงินเดือนแล้วก็ไม่อยากจะลาออกจากงานงานนี้มีมีรางวัลแล้วมีมีรายได้มีเงินเดือนพอได้รับเงินเดือนครั้งแรกแล้วก็ทีนี้ก็จะติดใจเพราะมันเป็นเงินเดือนที่ใหญ่กว่าเงินเดือนที่เราเคยได้รับมาตั้งหมดความสุขทั้งโลกนี้ซื้อความสุขทางธรรมไม่ได้ลดแห่งธรรมชนะรถทั้ ง, นะงปู่ พอเจ็ตได้ความสงบเพลิงทั้งแรกทีนี้มันจะติดจังทีนี้ไม่ต้องบังคับนะติที่บาทสี่จะมาแล้วฉันทาเวริยาจิตตะวินังสาจจะเกิดนะเห็นที่เดนมากก็บอกว่าก็บอกว่าต้องมีความสุขมากเลยที่นั่งตักจานที่นั่งจา์บอก เราไม่ไม่ได้เหมืพระเราไม่ทําเหมือนเขาเราชอบหาทางลัดอยู่เลยแล้วทางง่ายไม่มีง่ายหรอกทีนมันยากก็เพราะว่าเราไม่ชอบมันทางมันไม่มันไม่ง่ายไม่ยากทางมันก็เป็นธรรมดาถ้าเราชอบมันก็ง่ายถ้าเราไม่ชอบมันก็ยาก ถ้าชอบเสียก็มันก็จะได้ง่ายก็วิธีจะชอบก็ดูคนตัวอย่างของคนอื่นที่เขาทำได้ท่านผู้บ่าวให้ดูท่านอาจารย์ดูอย่ากเลยเรียนตุบาอาจารย์ทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าดูพระศาวุทั้งหาย มีคนม า, นา อ, อีกแล้ ว, ลวสพื <นะ S 2> อ่อให้ไไหนได้ยะเือเดี๋ยวก็จะให้พรคว่เราก่อนแล้ว ค, ครับ